ดูนิมิตในร่างกายได้ความรู้แจ้งในขณะที่จิตนิ่งสว่างอยู่ในทํากลางของร่างกายความสว่างของจิตจะพุ่งออกมารอบๆเราจะรู้สึกว่าเรานั่งอยู่ในท้ากลางแห่งความสว่างแต่ภายในดวงจิตนั้นสามารถมองเห็นอวัยวะต่างๆภายในทั่วหมดในขณะจิตเดียวเรียกว่ารู้อาการ32 จนกระทั่งจิตสงบละเอียดยิ่งลงไปจนถึงขนาดร่างกายตัวตนหายยังเหลือจิตดวงเด่นนิ่งสว่างสวัยอยู่เท่านั้นถ้าหากว่าจิตจะเดินไปในทางสมถะทางสายฌานสมาบัติจิตก็จะมีแต่สงบนิ่งสว่างละเอียดยิ่งขึ้นไปตามลำดับขั้นของฌานสมาบัติแต่ถ้าหากว่าจิตไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อร่างกายตัวตนหายไปแล้วจะย้อนกลับมามองร่างกายของตัวเองจะปรากฏว่าร่างกายของตัวเองตายขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือเมื่อจิตถอนจัดสมาธิแล้วจะได้ความรู้ขึ้นมาว่านี่แหละคือการตายตายแล้วก็ต้องเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในเล่าสัตว์ บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนถ้ามองเห็นความตายจิตก็รู้ว่านี่แหละคือความตายมองเห็นความเน่าเปื่อยผุพังนี่แหละอสุภกรรมฐานมองเห็นร่างกายสลายตัวไปเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็จะรู้ธาตุสมถะรู้ว่ากายของเราสักแต่ว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ ไหนเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนอันนั้นอนัตตานุปัสนาญาณความรู้ว่าร่างกายอัตตาตัวตนไม่มีเป็นอนัตตาเท่านั้นเราจะได้ความรู้ตามลำดับขั้นตอนอย่างนี้